อับ น, นี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทั้งหลายสืบต่อไปในเรื่องของความไม่รู้ทุกข์ซึ่งไม่เป็นอาการของอวิชชานั้นพระผู้มีพระเจ้าทรงจำแนกทุกข์ไว้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกที่เรียกว่าสภาวัตถุคือเกิดแก่ตาย ในอริยสัจนั้นหมายเอาความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหา แ, แสดงว่าเป็นความทุกข์ของสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าเราไปพบในไตรลักษณ์ที่ทรงใช้กำวมทุกขตาแล้วความเป็นทุกข์นั้นครอบคลุมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเอาไว้ในส่วนของความเกิดแก่ตาย มันเป็นสภาวะธรรมชาติธรรมดาโดยไปแก้ไขตรงนั้นไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะตัดกระแสของความเกิดได้แต่เมื่อเกิดมาแล้วจะแก้ไขแม่แก่ไม่ได้ไม่ให้ตายไม่ได้ด้นแนวธรรมะปฏิบัติเปสังเกตว่าจะทรงจำแนกแสดงไว้ในหลายระดับด้วยกัน ระดับแรกไม่ถึงกับแก้เกิดได้แต่ยังไงยังไงก็ต้องเกิดอยู่แล้วทาอย่างไรจะรีบเร่งกระทําความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ทรงใช้คำว่าเป็นสเบียงเลี้ยงตนในสัมปราชโยภพายพภาคดาเป็นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของตนเพราะชีวิตของคนแต่ละคนที่เกิดมาในโลกนี้ท่านเรียกว่าเป็นมัจจ คือพูดที่จะต้องตายแน่นอนปนัญหาสำคัญว่าก่อนที่จะตายแลในขณะที่อยู่เนี่ยมันจะใช้ชีวิตยังไงถึงจะให้เกิดความมั่นใจว่าตายเมื่อไรก็ได้ไม่ต้องหวาดผปตกกังวลที่เรียกว่าไม่ต้องกลัวต่อภัยในอบายสรงใจคใําเป็นคำหนึ่งว่าไม่กลัวต่อประโลก นั่นก็คือรีบเร่งศึกษาพระพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตัวเองยกระดับจิตของตัวเองขึ้นไปให้อยู่เหนืออำนาจกิเลส ท, ที่รุนแรงเพราะอบายนั้นเกิดเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิเลส ท, ที่แรงเช็้อโลคแรงก็เป็นอาการของเปรตคือกินไม่รู้จักอิ่ม หลงแรงก็เป็นอาการของสัตว์เดรัจฉานไม่มีเหตุมีผลอะไรมาครั้งแรงๆคล้ายๆกับมแมลงเม้าที่เบ็่ข้าวของไฟกรดแรงก็เหมือกระตกนรกสื่อเย็นได้ว่าเอาก็จริงแล้วอาการของสตัตว์เดรัจฉานก็ดีเปรตก็ดีนรกก็ดีตัวหนึ่งเราสามารถที่จะดูที่จิตของเราได้ ว่าถ้าจิตโกรธแรงก็แสดงขณะนั้นเหมือนกระตกนรกแล้วจิตโลภแรงในขณะนั้นจิตก็เป็นเปรตไปแล้วจิตหลงแรงจิตก็เป็นสติริชานไปแล้ทีนี้เมื่อสภาพจิตมันเป็นอย่างนั้นและคงเป็นเมีอาการอย่างนั้นอยู่เมื่อเราไปที่ใดก็ตามอาการกิริยาที่แสดงออกมันก็เป็นอย่างนั้นแมชีวิตหลังตายเองก็คงเป็นอย่างนั้น อาที่ทรงแสดงไว้ว่าจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าบังเกิดในทุกขติจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าบังเกิดในสุกติเพราะสภาพจิตถึงมีตัวยืนยันพบชาติแ้าจิตดีพบชาติก็ดีจิตไม่ดีพบชาติก็ไม่ดีเราไม่ต้องดูอะไรมากกต่ดูการกระทำงานภายในบ้านในเรือนของเรา จะปัดกวาดบ้านจะทําอาหารจะซักผ้าจะรีดผ้าแต่เรารมองตรวจสอบแล้วเนี่ยจะพบว่าผล ง, งานนั้นมีความยิ่งความย้อนกระจุบถ้าย้อนกลับไปดูว่าทําไมจึงเป็นฉะนั้นก็ไม่อยู่ที่สภาพจิตในขณะนั้นๆเห็ น, น, นว่าทํางานในสภัพจิตที่มีความโกรธคุนขิดดุรุนแรง ก็ทำไปอย่างนั้นเองทำให้เสร็จๆไปไม่ได้สนใจความประณีตความถูกต้องความดีงานผลส้นเบ็ดที่ตนต้องการจากการงานที่ทำในขณะนั้นนั้นผลสภาพจิตยึงเป็นตัวกาหนดพบชาติในธรรมะปฏิบัติที่ทรงแสดงสั่งสอนไว้ในที่ต่างๆนั้นเมื่อจะมองในแง่ของการละบาป มองในแง่ของการมันเป็นบุญมองในแง่ของการทำจิตใจเรื่มใสในวัตถุในบุคคลในสิ่งที่ควรแก่การเรื่มใสหรือเข้าใจถึงสภาวธรรมที่เป็นจริงก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สร้างจิตใจให้สูงขึ้น โดยเช่นว่าการมองเห็นสภาพความเป็นจริงของชีวิตนั้นเป็นอาการของปัญญาซึ่งทำคัดหน้าที่กระจายวิชาโดยตรงเมื่อวิชามันลดความรุนแรงลงไปคือแสงสว่างเพิ่มขึ้นความมืดมาก็จางลงไปในที่นั้นคนนี้พึงดูตัวอย่างพ ย, าายัสสเดระที่คือหนึ่งท่านสามารถมองคนภายในปราศาสต์ของท่านเป็นซากศพได้ คนนี้พระพรมมีพระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นบารมีของเขาที่สร้างสศภรลมาอย่างนั้นคือในอดีตการนานไกลท่านเกาะกลุ่มกันบำเพ็ญสาธารณกุศลคล้ายๆองค์กรมูลนิธิต่างๆที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันในีใครตายเป็นศพอนาถาไม่มีใครจัด ก, การชาวปนิกจสพให้ถ้าก็จัด ก, การชาวปนิกีศพให้ วันหนึ่งได้เผาผู้หญิงมีคันตายทั้งกลมคนเด่กคนทั้งหมดที่เป็นเพื่อนฝูงร่วมกันขอกลับไปก่อนเมื่อศพกำลังเริ่มไหม้ถือว่าที่จริงก็เสร็จไปแล้วแต่ตัวหัวหน้านั้นยังเป็นห่วงก็อคอยแทงศพคอยเอาฟืนมาใสา่อคอยดูแล เราสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงของสบตามไปด้วยทุกครั้งที่มาเห็นความเปลี่ยนแปลงของสบก็เกิดอาการสังเวชสลดจิตพิจารณาเห็นชีวิตอย่างแนวที่ส่งสอนในสวดเด็กเราความตายจะมีแก่เราแน่แท้วันนี้คนนี้ก็ตายแล้วต่อไปเราก็ตายธรรมชาติของชีวิตเป็นอย่างนี้สภาวะของชีวิตเป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะลุงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ จนมองเห็นสพเป็นศพตายตนเป็นศพเป็นซึ่งรอการตายแล้วก็กลายเป็นสภาพอย่างเดียวกันคือกลายเป็นแยกสลายคนดิ้นน้ำตรงไฟอากาศที่ไปตามสภาพของมันแล้วก็นำความคิดเหล่านี้มาเล่าให้คนที่ร่วมบาเพ็ญสาธารณกุศลด้วยการฟังเพราะาสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นบา ร, ร, ร, รมีที่อยู่ภายในจิตใจของท่านเหล่านั้น ถ้าเราสังเกตอีกทีหนึ่งว่าคนทั้งหมดในเครือญาติของพระยศัเราจะเป็นครอบครัวของท่านสหายของท่านอีก54 55ทั้งท่านบรรลุมรคนเป็นพระยะบุคคลด้วยพระธรรมเทศนาเดียวกันคือทรงแสดงกามาทีนกคือโทษของกาศจิตใจของบุคคลไปเกี่ยวเกาะยึดมั่นถือมั่นไว้ดวยอานาจคนตันหาว่าเป็นของเราของเราของเรา แล้วก็เห็นมาจา ก, ชกแชทว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เป็นของเราจริงๆเพราะก็เกิดมาแล้วต้องเปิดหน้าต้องผูกพังต้องแตกทํำลายไปตามกันเราได้เรามีเราเป็นอะไรก็ตามก็ไม่จะอยู่ร่วมกันตลอดไปเราต้องจากเขาไปแล้วเขาต้องจากเราไปโดยการมาอยู่ด้วยกันมันก็มากันตามลําดับเพราะฉะนั้นเวลาจากไปก็จากกาันตามลําดับ แต่แม้กำหนดว่าจะต้องมาตามระดับก่อนหลังอย่างนั้นแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือต้องจากไปตามสถานะของสิ่งเดน่นทำใมจิตใจของท่านปล่อยวางไม่ ย, ยึดมั่นถึงมันและประเด็นที่สำคัญถ้าลึกให้ไปกว่า น, นั้นก็จะเห็นถึงว่าสิ่งที่อยู่ภายในใจของท่านเนี่ยท่านวิมลสุภาหุหปุนาชีกบอมปติกะสหายอีกห้าสิบทน เพียแต่รู้ข่าวยาศสากุลระบุตรออกบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่รู้เรื่องพระอระหันต์อะไรแต่ก็ตัดสินใจด้วยความเชื่อว่าในศาสนาใดก็ตามที่คนอย่างยัสกุลเข้าไปบวชได้เนี่ยก็แสดงว่าศาสนานั้นต้องมีศัจริยธรรมจริงๆอยู่ไม่งั้นคนอย่างยัสกุลไม่บวชโพนี่ตัดสินใจเพียงแต่ข่าวลือ าเพื่อนบวชท่านั้นเองสละสมบัติทั้งปวงออกบวชได้เพราะนั้นเราจะเห็นด้ว่ามันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราพิจารณาเห็นถึงสภาวธรรมทั้งหลายแต่มันกลายเป็นรูปของบา ร, รมีธรรมเพราะฉะนเปเห็นภาพในลักษณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็เข้ามาเสริมเติมคลายๆก็เรเรียนหนังสืออยู่ในระดับชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วต่อมาก็เรียนหนังสือในเดียวกันแตยกระดับ ยกระดับความรู้ขึ้นอีกระดับหรือ ม, มันก็เข้าใจง่ายเพราะาเราพิฐานอยู่แล้วและการเห็นในแนวนี้ก็คือรูปของกรรมฐานทั้งหลายจะรู้สึกสามาโดยลําดับพวกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือดูกายดูกายในแง่ที่เป็นลมหายใจเข้าออกดูกายในแง่ที่เป็นอิยาบทใหญ่เนาะอิยาบทใหญ่คือยืนเดินนั่งนอนดูกายในแง่ที่เป็นอิยาบททุกอิยาบท ดูการในแง่ที่เป็นประชุมของผู้คเรียกว่าหนังเป็นตน้นดูการในแง่ที่แยกออกเป็นธาตุเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นดินน้ำลงไฟอากาศตอนแรกๆมันดูเข้าไม่ได้หรอกมันดูเฉพาะดินน้ำลงไฟจนถึงไปดูซากศพซึ่งตกอยู่ในสภาพแตกต่างกันตามความเปลี่ยนแปลงตามการเวลา ทำไห้สภาพก็บศหเ่านั้นไม่เหมือนกันแต่จริงสิ่งเหล่านั้นก็คือศบย้อนก็ไปสู่อดีตสิ่งเหล่านั้นก็คือคนย้อนก็ไปอีกก็ปรากฏว่าไม่ใช่คนเป็นกลุ่นของนามธรรมานิดๆเมียวิชามีสังขารมาสร้างขึ้นไปติดสนธิวิญญาณแลวเสร็จแล้วค่อยโตขึ้นมาทำเหตุปัจจัยพอตายไปก็คืนสู่สภาพเดิม ซึ่งข้อนี้พระนามของพระบุญมีพระภาคเจ้าที่เราเรียกพระองค์เรียกไม่ใช่เราเรียกรองเรียกพระองค์เองเรียกว่าตาถาคตมีลักษณะใกล้ๆกับเป็นสัพนามแทนพระองค์ยังไม่พบพระสาวกเรียกพระพุทธเจ้าอย่างนั้นถ้าเรียกก็เรียกพระสุขคตไม่ได้เรียกว่าตาขาคต ตถาคตจึงมีความเป็นปริศนาธรรมที่ซ่อนเร้นแล้วเห็นว่าทุกชีวิตนั้นมีลักษณะของตถาคตอยู่คือคือมาอย่างไงก็ไปอย่างมันหรือมาอย่างที่มาก็ไปอย่างที่ไปเรามาสู่โลกนี้ด้วยอวิชชาด้วยบุญบาปสร้างขึ้นปฏิสนธิวิญญาณเป็นปฏิสนธิวิญญาณพอตายไปมันก็เหลือ3าอย่างเมือนเดิม ปริมาณอาจจะเพิ่มอาจจะลดก็ตามแต่ก็อยู่ในกลุ่มของอภิชาอยู่ในกลุ่มของบุญบาปก็ขึ้นไปสร้างปฏิสนธิวิญญาณต่อไปแต่กี่พาะกี่ชาติมันก็เท่านั้นอย่าได้ทรงสแสดงว่ามัดจะคือสัตว์ที่จะต้องตายในโลกนี้พฤ ต, ติกรรมของของสัตว์ทั้งหลายนั้นก็ ม, ม, มีมีสองอย่างคือทำบุญหรือบาอปเอาไว้เพราบุญและบาปนั้นก็จะเป็นสมบัติจริงๆของคนเหล่านั้น นอกอื่นนอกจากนั้นไม่ใช่สมบัติจริงแม้แต่ร่างกายเรายังไม่ใช่สมไม่ใช่สมบัติจริงพวกนี้เป็นที่อาศัยเท่านั้นทา่านี้เรียกว่าเป็นปัจจัยคือเป็นเครื่องอาศัยบ้านกับไปที่อาศัยถนนทางก็ไปที่อาศัยเสื้อผ้าก็เป็นที่อาศัยทุกเรื่องเพื่อนฝูงวงสาคนาญาติล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเรามาด้วยบุญด้วยบา ด้วยกิเลสสร้างเป็นเหตุสร้างปฏิสนธิบิญญาณแล้วก็ถือกาเนิดในคติต่างๆเมื่อตายไปมันก็ตกอยู่ในสภาพหนึ่งอย่างคำกรรที่เผยแพร่แล้วก็สั่งสอนกันสองยุคทัางฟังทัางหลายจะสังเกตว่าคำกรสองยุคที่แพร่หลายมากที่สุดในสังคมไทยยุคแรกก็มาจากปริศาสอนน้องที่บอกว่า พิศะการสอนอีกุณชอนันปดปรงโททนจะหนิงคงสำคัญหมายในกายเมยราชาติว่างวายมาลายสิ้นทั้งอินทร์สถิตทั่วจะช่วดีประดับไวในโลกกาเป็นการแสดงถึงสภาพของสัตว์ดิรกษัตริยซากศพดิรกษัติเช่นปลาตายโคตายกวางตายอะไรแต่ลคนวิ่งกันไปหายื่อย่าง ต้องการได้ผลประโยชน์จากสิ่งต่านซึ่งแปลกว่าเวลาคนตายคนวิ่งนีแม้คนเคยรักใคร่สนิทสนมสิลิหาอะไรยังไงก็ตามไม่มีใครวิ่งเข้าไปหาโดยความอยากได้ถ้าอยากดูนะมีถ้าอยากได้นะี่ยไม่มีถ้าอยากได้ก็ไม่ใช่ได้เนื้อตัวอยากได้สอยคออยากได้อะไรต่ออะไรก็อยากได้ไ ย, ได ย, ไดยังเกิดอุบัติเหตุทั้งหลาย ม, มีคนวิ่งเข้าไป แต่แ้จริงแล้วไม่ใช่อยากได้ตัวเป็นอยากได้สร้อยได้นาฬิกาได้ปากกาได้เงินได้ทองในตัวของสะสมตรงนัง้นั้นแสดงให้เห็นถึงสัจจะความจริงของชีวิตในการประมานํำเอาพระพุทธภาษิต บ, บทหนึ่งมาเผยแพร่บอกว่ารูปังชีรติมัจจานาังนาโมโกตังชีรติ รูปร่างกายของคนสัตว์ทั้งหลายนั้นเสื่อมสลายไปแต่ชื่อและโคดนั้นหาได้เสือสไไเส่อมสลายไปไหมหาได้เสื่อมสลายไปไหมตัวนี้ก็ว่ากันแพร่หลายพอสมควรถ้าโรยเปดูหนังสือ ง, งานศพที่แสดงความไว้อะไรสองข้อนี้จะปรากฏอยู่ในหนังสือเหล่านั้นมาและในการต่อมาก็ได้แสดง เป็นการกระตุ้นเตือนให้คนรีบจกช่วยตักตวงแสวงาโอกาสเป็นทางเลือกของชีวิตโ ด, โดยการมองชีวิตในแต่ละชาตินั้นเป็นขณะขณะที่ทรงสั่งสอนว่าชีวิตนั้นหานิมิ t หาเครื่องกำหนดหมายไม่ได้ตำรงอยู่เพียงขณะ บางชีวิตถือปฏิสนธิในคันของมารดามารดายังไม่รู้ว่ามีลูกมาถือปฏิสนธิเนีันตายไปแล้วชีวิตจริงๆนั้นตายในคันเนี่มากมายไกลกองในรอดออกมาจากคันได้นั้นเรียกว่าเป็นบุญสมบคนเหล่านั้นหรือจะถือว่าเป็นบาปก็ได้แต่ ว, ว่าคนก็ตายไปเยอะในคัน น่าเป็นการแสดงถึงชีวิตจริงๆว่าแม้แต่ออกมาจากคันแล้วก็พยายามกอบโกยตักตวงสแสบหาไขว้คว้ากันโดยประการต่างๆถูกตาหนาเสือกใสปรักใสไปสู่อารมณ์ทั้งหลายอยากได้อยากมีอยากเป็นจากนั้นจากนี้อย่างนันเพราะอะไรเพราะคนไม่มองถึงความตายเป็นชีวิตในช่วงสั้นๆและวมันยืดแยง มาต่อสู้มาปราบประหารเพื่อถือครองครอบครอ ง, ร อ, งอะไรในเมื่อคนเรากำมือมาแล้วก็แบกมือไปเรามายังไงเราก็ไปอย่างนั้นดังกล่าวเพราะต้องก็รกล่าวไว้เป็นคำสอนที่ไปเราะ อ, อีกบทหนึ่งว่ายศได้ลาบหาบไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศล ทรัพสมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟนี่แสดงให้เห็นถึงว่าสิ่งที่เป็นสมบัติติดตัวก็เป็นสมบัติติดโลกได้อย่างชัดเจนคนทั่วไปนั้นจะยื้อแย่งผลประโยชน์ยื้อแย่งยศยื้อแย่งการยกย่องสรรเสริญแล้วก็มีการปลนปลือหล่อเลี้ยงธนุถนอมร่างกาย ประกอบประงมดูแลร่างกายกันมากด้เกิดถลองคิดดูค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในเดือนหนึ่งวันแม้แต่วันหนึ่งก็เถอะเราจะให้ความสนใจดูแลร่างกายนี้มากใจซึ่งเป็นตัวหลักของชีวิตไม่ค่อยมีอาหารกินหิวโหยงอยงหงาเสืง่สงซึมว่าเวโดดเดียวเดียวได้แต่ร่างกายรับการปลนปลื้กันอย่างเปรีย บุญกุศลซึ่งเป็นสมบัติติดตัวอยู่ในสังสารวัดเป็นเงาที่ติดเราตลอดมีคนสนใจน้อยมีคนให้ความสำคัญน้อยทั้งๆที่สมบัติที่นำพาเราไปจริงๆคือเขาแต่เราก็ไม่ให้ความสำคัญกับเขาสิ่งที่มีอายุยืนเราไม่ให้ความสำคัญแต่สิ่งที่มีอายุการใช้สอยสั้นๆเราไม่ให้ความสำคัญ จิตวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่มีอายุยืนก็อยู่กันไปตลอดจนกว่าจะหมดจนกว่าจะนิพพานบุญบาปเป็นสิ่งที่มีอายุยืนอยู่กับเรา จ, จนกว่าบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเพราะคนที่ละบุญบาปได้มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นแต่คนกลับไปเน้นที่ลาบยศสรรเสริญนับไปเน้นที่ผลประโยชน์ แย่งกันเป็นจะฆ่ากันตายทั้งๆที่มันเริ่มจากการไม่เป็นแล้วเราดิ้นรนเพื่อการเป็นแล้วก็จบลงด้วยการไม่ได้เป็นจะเป็นยังไงใหญ่โตยังไงก็ตาไปไหนชีนึงเต็มถนนกระดาบเวลาตายแล้วก็ไม่มีคุณค่าอะไรหินข้าไปในโกดสัเ ป, ป ร, เรอจับหักขาหักแก้งหักขา ตวว โ, โตอ้วนโตโตแลต้วใส่กอดไม่ไม่ได้ก็ต้องจับหักขาไปเฉือตรงนั้นเฉือนตรงนี้เพื่อสก่กอดเพื่อเพื่อให้บรรจุเข้าไปในโกอดได้ทาไมโลกจึงเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปยอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันต ร, รการราชรัฐที่พวกคนเขาร้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่ร้องอยู่ และอย่างที่รับสั่งเน้นย้ำกับพวกสาหายของนางวิสาขาที่เมาสุราตอพระพักว่าเธอทั้งหลายจะมวนเพ่ิดเพลินรือ เ, เริองอะไรกันในเมื่อโลกสันนิวาสนี้ลุกโพลงอยู่เป็ น, นเธอที่ถูกความมืดคุ้มห่อเอาไว้ทำไมไม่หาประชีพเป็นเครื่องสองทางชีวิตพระเจ้าก็ทำได้แค่สะท้อนภาพแกกระตุ้นเตือนแค่บอกกล่าว ให้มองความจริงของโลกของชีวิตตระหนักว่าที่จริงเหล่านี้คือกลุ่มของทุกขระสับทั้งหมดตัวเขาแต่ละจุดพวกผลประโยชน์ทางหลายพวกยศพวกความสรรเริญมันก็ขึ้นลงคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันโลกเองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันมันอยู่ในกลุ่มของทุกข์กรสั และในคำกรอนที่กล่าวนั่นเองท่านยังเน้นย้ำเอาไว้เป็นพิเศษเป็นการแสดงถึงความไม่มีตัวตนที่แท้จริงการมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมันก็เป็นเรื่องสมมติและบางทีสมมติสั้นๆสมมติสั้นๆแต่ว่าคนไปยื้อแย่งตรงนั้นกันเช่นเราดั้งขึ้นรถหรือ้าอากาศหรือหรือว่าเครื่องบินระยะสั้นๆ ก็ให้เบอร์ที่นั่งเอาไว้พอดีคนอื่นมานั่งก็ไปทะเลาะแย่งที่นั่งไอ้นั้นที่นั่งของผมไอ้นั่นที่นั่งของฉันยังจะฆ่ากันให้ตายยังไปขอนแกงกระสีบ้านจีก็ถึงเนง่เราไม่ได้เป็นเจ้าของที่นั่งตรงนั้นจริงเป็นการสมมติขึ้นเท่านั้นเองผลประโยชน์จริงๆก็คือนั่งคือได้นั่ง เราถึงเวลาก็ลงก็จบนี่แสดงเห็นความยึดมั้นถือมั่นในตัวสมมติบัญญัติเนี่ยเอาจริงว่าจังก็ เ, ง เ, เกินไปเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านที่จริงมันเป็นทุกข์สักมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ดับไปมัน ก, ก็เตือนกระตุกแรงให้ตรหนักว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยจัง ตรวจสอบดูมองรอบตัวดูเรามาโดดเดียวเดียวได้มาไม่มีใครมาส่งไม่มีใครมารับเราก็มาของเราแต่สิ่งต้นรับก็คือบุญสิ่งที่ส่งก็คือบุญแล้วก็มีบาปมาด้วยพระพุทธเจ้าว่ารับสั่งแสดงว่าเวลาคนไปสู่ปารโลกเนี่ย บุญก็จะต้อนรับคนหล่อนนั้นเหมือนกับญาติมิตรสหายทั้งหลายตอนรับญาติมิดคงตนที่จากบ้านเรือนไปนานแล้วก็ย้อนมกลับสู่บ้านองศาคณะญาติก็แห่แห้กันมาตอนรับด้วยความชื่นชมยินดีบุญกุศลเองก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าบอกว่าการต้อนรับออกมาในรูปคนก็แสดงว่าเราเป็นคนมีบุญ คนจึงชื่นชมต้อนรับเพรา ะ, ะนั้นคก็ตุ้เดือนตรงนี้จึงชัดมากว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรไม่ไจำเจ้าจะเอาเตะสุขสนุกเช่นไหนจะมามือเปล่ า, จ, าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ากอนเจ้ามาเป็นการสอดรับกันทั้งหมดของภาษิตต่างๆที่รับสั่งโดยพระพุทธเจ้าโดยบัณดิตทั้งหลายโดยคนรุ่นขก่อน นั้นแสดงให้เห็นถึงการสะท้อนของความจริงแห่งทุกข์สัตร์เพราะเวลาประรบเรื่องตรงนี้ี่มีลักษณะเน้นย้ำแนวพินาปัจเวกขณะอย่างที่สวดกันพือแนวที่ใช้เป็นคาถาบังสกุลเป็นก็กระตุ้นเตือนในเรื่องนี้ว่าร่างกายนี้ไม่นานอนอจะล้มลงเหนือแผ่นดิน พอวิญญาณออกไปจากร่างแล้วก็จะเหมือนกับต้นไม้ที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ยิ่งคาถาบังสกุลตายแลยยิ่งชัดมากๆทัศากะเทวราชยัางในกล่าวในที่รู้เจ้าวรรณนิพพานพระพุทธเจ้านิพพานทัศากะเทวรา a ก็กล่าวคาถาบทนี้เป็นคาถาสองบรรทัดแล้วที่จริงน่าจะเอาไปเทศได้ทัาง แต่ว่าพระบางตระกูลก็ทําหมกมิปุบมิบหยาโยงก็ไป็นย้ยินได้ยินก็แปรไม่ได้ออกแปรไม่ออกมาเป็นการกระตุ้นเตือนที่เห็นได้ชัดแล้วก็ปฏิบัติได้ในขณะนั้นว่าอนิจจาวตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอะไรคือสังขารเราก็คือสังขารรถก็คือสังขารบ้านก็คือสังขารสามีปัญญาคือสังขารลูกเต่าคือสังขารอะไรแล้วมันก็คือสังขาร ธรรมชาติของสังขารก็คือไม่เที่ยงสังขารใดไม่เที่ยงสังขารนั้นก็เป็นทุกข์สังขารใดที่เป็นทุกข์สังขารนั้นก็ไม่ใช่ตัวเชตุลสังขารใดที่ไม่ใช่ตัวเชตนสังขารนั้นก็ไม่ใช่ของเราจริงๆไม่ได้เป็นเราจริงๆไม่ได้เป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆทังนั้นก็แสดงว่าอุปดัปยะธรรมิโนมีการเกิดขึ้นตามธรรมชาติธรรมดาของมันมีปัจจัยเกิดมันก็เกิด ตนอนน้ก็ตกแดดออกพาใต้ฝุ่นทนร้อนชื่อหน้าเอ็นโดสวยงามแต่ก็ดูเดือดรุมแรงเพราะมันเป็นใต้ฝุน่นมันเป็นทอร์นาโดมันเป็นเกมันเป็นอะไรแต่อะไรมางไปพันธะบอกมันเกิดขึ้นแล้วมก็ดับไปอุปชิตตาวนิรุชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เราเห็นได้ชัดว่าแม้แต่กุศลและเจตนาอากุศลเจตนาที่เกิดขึ้นภายในใจเราเกิดขึ้นกระดับเกิดขึ้นกระดับเกิดขึ้นกระดับปั้นอกุศลเวลาเกิดขึ้นท่านก็สอนในแง่ลดกุศลเวลาเกิดขึ้นก็สอนในแง่รักษาไว้แต่ในส่วนของสังขาร น, นั้นท่านบอกว่าเตสังมูปสโมสุโคการทําจิตให้สงบระ ง, งับกับสังขารทั้งหลาย อย่าปล่อยคว้าอย่าเป็นของเรามากนักอย่าเป็นเรามากนักอย่าเป็นตัวตนของเรามากนักประพฤติตนที่ทรงใชาา้คำว่าสรลหุกวุติไอ้เบากายเบาจิตจะแบกจะหาบจะแบกจะหาบจะหามากเกินไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นะของอยู่บ้านเราก็ไม่แบกมาที่วัดพอคืนแบกมาที่วัดมันก็กลายเป็นกังปน รถจอดอยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างบนรถก็อยู่ข้างล่างเราก็อยู่ข้างบนใจไม่ต้องไม่อื้อมไมเฝ้ารถเพื่อจะกําหนดจิตให้อยู่กับความสงบความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อเห็นอะไรที่ถูกต้องชัดเจนแล้วปฏิบัติสอดคล้องกับอารมณ์นั้นในกรณีของทุกขสัตว์ก็สอนโดยนิยัดังกล่าวแล้วว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ ไม่มีใครจะล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ก็จะสามารถลดละถ่ายถอนความยึดมั่นหรือมั่นให้เจือจางเบาบางลงไปใจก็จะสงบสุขได้ตามสมควรบทเรียนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป